การพูดในอินเทอร์เน็ตเป็นบุญบาปหรือไม่ถามการเขียนข้อความหรือนำเสนอเนื้อหาอะไรผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้นามแฝงถือเป็นกรรมหรือไม่เพราะไม่มีใครรู้จักชื่อเราไม่มีใครเห็นหน้าเราไม่มีใครได้ยินเสียงเราเหมือนเราไม่มีตัวตน ผมเห็นว่าคำถามนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจเรื่องกรรมได้ลึกซึ้งขึ้นเพราะคนส่วนใหญ่ยังนึกว่าการก่อกรรมเป็นเรื่องที่ต้องโชว์ตัวโชว์เสียงหรืออย่างน้อยก็ต้องมีชื่อแท้ของเจ้าตัวปรากฏเป็นที่รับรู้ซะ ก, ก่อนความเข้าใจดังกล่าวนั้นคล้ายเคลื่อนนะครับกรรมคือเจตนาต่อให้คุณนอนคิดร้ายอยู่บนยอดเขาไม่มีใครเห็น คุณก็ทราบชัดอยู่แก่ใจและสามารถสำเนียกรู้สึกได้ว่าใจคุณดํามืดเพราะโดนเมฆหมอกอกุศลทาบทับแล้วสำหรับกรรมที่ทำอยู่ในใจจริงๆมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจคุณเองคนเดียวนั้นเรียกว่ามโนกรรมสำหรับมโนกรรมนั้นจะสำเร็จสมบูรณ์เต็มขั้นในทันทีที่ตั้งใจคิดและมีความยินดีกับความคิดนั้น หากจะพูดว่ามโนกรรมคือกรรมที่ก่อแล้วยังไม่ทันส่งผลกระทบดีร้ายกับผู้อื่นก็คงได้ตัวอย่างเช่นคุณคิดจะด่าเขาแต่ระงับใจไม่ด่าอย่างนั้นก็เป็นเพียงมโนกรรมอันเป็นอกุศลมีผลให้จิตคุณทุกข์ร้อนอยู่คนเดียวยังไม่เป็นวจีกรรมยังไม่มีเสียงกระทบหูใครให้ใจเป็นทุกข์ขึ้นมา แต่หากคลื่นความคิดแรงจนทะลักรั้วกัน้นหลุดจากสมองไปกระทบผู้อื่นไม่ว่าจะทางภาษาพูดหรือภาษาเขียนทำให้เขาเกิดความเข้าใจว่าคุณคิดอย่างไรตรงนั้นจัดว่าเป็นวจีกรรมได้หมดพูดง่ายๆว่าภาษานั่นเองคือเครื่องมือก่อวจีกรรมของมนุษย์ฉะนั้นคุณจะแอบเขียนอะไรทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้นามแฝงเฉพาะกิจไม่มีใครอื่นรู้เห็นไม่มีใครรู้จักเลยแม้เพียงครั้งเดียวก็นับว่าสร้างวจีกรรมไปแล้วหนึ่งครั้งและกรรมก็จะติดตามคุณเป็นเงาตามตัวไม่ผิดต่างไปจากกรรมอื่นๆที่กระทําโดยเปิดเผยหน้าตาตัวตนเจตนาเกิดขึ้นที่จิตของคุณกรรมก็เกิดที่จิตของคุณเช่นกันเพราะกรรมคือเจตนา เจตนาคือกรรมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าบุคคลคิดแล้วจึงก่อกรรมทางกายวาจาใจอินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสให้เราเห็นอะไรหลากหลายจริงๆแม้แต่การทำงานของกรรมอย่างเช่นที่ผมรู้จักและหลายคนเห็นกรรมทางวาจาของเขาในเบื้องต้นแล้วได้เห็นพัฒนาการ หรือความเสื่อมทรามทางจิตใจในเวลาต่อมาเป็นไปตามวิธีคิดเขียนให้ดีให้ร้ายแก่ผู้อื่นผู้ก่อความวุ่นวายนานไปย่อมมีจิตใจที่วุ่นวายปั่นป่วนเหมือนพายุและแสดงแนวโน้มที่จะฟุ้งซ่านแส่ายไปในเรื่องเหลวไหลพูดจาจับต้นชนปลายไม่ติดมากขึ้นเรื่อยๆผู้ก่อกระแสความเยือกเย็น นานไปย่อมมีจิตใจเยือกเย็นสงบราบคาผาสุขและแสดงแนวโน้มที่จะแนวนิ่งหนักแน่นในเรื่องเป็นเหตุเป็นผลพูดจามีต้นมีปลายมากขึ้นเรื่อยๆบอกได้เลยครับว่าวจีกรรมที่เกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นอาจจะให้ผลเร็วและแรงซะยิ่งกว่าวาจีกรรมที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงซะอีกที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไร เราบนอินเทอร์เน็ตอาจมีผู้รับคำพูดของคุณจํานวนมากขอให้ลองนึกดูหากคุณพูดเบาๆว่าไอ้โง่ก็อาจมีคุณคนเดียวในโลกที่ได้ยินเสียงอากุศลของตัวเองแต่ถ้าคุณพิมพ์คำว่าไอ้โง่ลงในกระทู้ของเว็บบอร์ดที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมคับข้างคุณไม่มีทางปรับให้ดังหรือเบาได้ตามใจชอบได้เลย คุณทำอากุศลกรรมกับคนแบบไม่เลือกหน้าเข้าแล้วคำด่านั้นอาจทำให้คนนับพันนับหมื่นเกิดความแสลงใจความแสลงใจของคนนับไม่ถ้วนนั่นแหละจะย้อนกลับมาก่อเหตุให้คุณแสลงใจยิ่งกว่าพวกเขาได้ผมเห็นและนึกเสียดายครับหลายคนยังเป็นเด็กและมีความสนุกที่จะขีดเขียนข้อความฝากไว้ในอินเทอร์เน็ตด้วยความคึกขนอง บางทีไม่รู้ตัวเลยว่าเอาอนาคตมาทิ้งซะด้วยการสนทนาแบบไร้หน้าไร้เสียงนี่เองโอกาสก่อกรรมในยุคไอทีของพวกเราเนี่ยมีได้เป็นร้อยเป็นพันเท่ามากกว่ายุคอื่นครับกระดิกนิ้วง่ายๆไม่กี่ทีผลอาจใหญ่หลวงยิ่งกว่าพยายามพูดในห้องประชุมใหญ่ๆและหลายอาทิตย์เสอีกหากจิตตั้งไว้ดีแล้วก็สบายตัวไป แต่หาจิตยังตั้งไว้ในมุมมืดอย่างนั้นก็คงน่าเป็นห่วงหน่อยละ